ا ح ي ا ل م ي ا م ي والذين والكتاب المبين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 ورضا نفسه وزينة ع ر ش ه ومداد كلماته ي ح ي يا ق ي و م برحمتك أستغيث أصلح لي ش ع ن ي كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل الله م ف ا ط ر السماوات والأراعل الغيب والشهادة رب كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت عز وجل من شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن أ ق ت ر ل ف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الله مصلح لي ديني الذي هو عصمة م ر ي พัฒน์เลยดุนย د ُี่ ف ي َ ا มาอัดมาอาชี فيها มาอัดว่าจงให้ชีวิ ا ที ل ดีท لِي ุดใหَทุ ا คนที่รักทุกคนที่รักทَุคนทَ่รักทุกคนที่รักทَุคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รั ا ทุกคนที่รักทุกคนที่รักี่ที่รทัที่ัันรุนี่นที่รกร ตัดเซล์อลกรุรอานทางเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านที่รักทั้งหลายการประคด้วิเล่ลก่อนอื่นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจเราต้องโยงกับอัลลอ์ที่เราหลับไปเมื่อคืนเนี่ยเพราะอัลลอ์ให้เราหลับเราก็ตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมนะครับอย่านอนแบบแบบอะไร <c oughs> อย่านอนแบบแพ <c oughs> แพ้เนี่ยไม่ต้องอาบน่าหนามาดมันก็นอนเลยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมักลูกที่ประเสริฐที่สุดท่านนาบีเนี่ยส่งอัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีมาหนะึ่งแสนสองม่ห้าพนท่านส่งมาสอนคนมาดูแลคนแล้วก็นบีท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสุลลัมสุลลัมอัลลอก็บอกว่าเป็นอัลลอฮรัุลมักลูกา เป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดฉะนั้นพี่น้องเราต้องนึกถึงสุนาัขนาบีเยอะๆต้องเรียงสุนาัขนาบีนะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยอามันให้มีน้ำนำมาส ก, กอนแปลงฟันก่อนตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็ยกมือขึ้นอ่านสามกุญนแล้วก็ลกูบลูบไปทั้งศรีรษะ ท, ทั้งตัวทนอย่างนี้อนะ่ะสามครั้งแล้วก็อ่านนายากุซีอ่านสุรร ร, ร้องสองสามซุร้อนอีกท่อนอับบีอ่านนะนะเราก็พยายามเรียนนะพยายามก็ค่อยเรียนกันไปเรียนกันไปก่อนจะนอนจริงๆคยจะเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาอ่านดวอ้าวปังไงอิสมิก์ลอลฮุ ม, มะอามูตุวาฮยาเราเตือนกันอย่างนี้นะพะเป็นหน้าที่ของเราต้องเตือนมุสลิมซึ่งกันและกันเตือนลูกตัวหลานเรานะครับให้รักษาสุนนะของท่านนาบี อัลมสซอัสัลลัมข้าพูดนะข้าพูดนะข้าพูดนะข้าพูนะข้าพูดนะร้าพูดนะข้าพูดนะข้าพูดนะ้าพกดนะข้าพูดนะข้เพูดนะข้าพูดนะข้าเูดนะข้าพูดนะข้าพูนมข้าพัดนะข้าพู้นะข้าพูดนะข้งพูดนะ้าพูดนะข้าพูดนะข้านะข้าถึงนะข้าูดนะข้าพูดนะร؛าพูดนะข้าพูดนะข้าพูดนะข้าพูดนะข้าพูดนี่ยาพู ร, รนะข้าพูรนะอ้าพูดนู เราต้องเข้าใจแล้วก็นึกตามคุรานด้วยอัจุคลุบเนี่ยหมายถึงอะไรนะทองคําทําไมพูดเรื่องทองคำเพื่อการเตือนไม่ให้มุสลิมเนี่ยหลงวัตถุวัตถุนะ่ะมีไดแาา้แล้วก็จ่ายสรกราดถูกต้องแล้วก็จ่ายสระก็จ่ายฮันธยาจ่ายวะก้าฟมีได้ไหมมีได้แต่นี่อยามีแบบกอรูน กอรูนเวลามีทรัพย์สินเยอะๆแล้วอวดดีแล้วเป็นไงอ่ะอลัลลอให้แผ่นดินสูดให้ดินนี่น่แยกแล้วก็กอรูเนี่ยจมสมัยนบีอิสมาอินตอนนบีนอนอยู่ที่ริมกาบะานแล้วก็ให้แผ่นดินแยกเหมือนกันอ่ะแต่น้าพุ่งออกมา แสดงว่าคนที่อยู่บนดินใบนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นคนดีแบบนบีอิสมาอิลแบบมะนาบีอิสมาอินเชิญนางฮาจัดเป็นภรรยานาบีบรอฮิมเขาเป็นคนดีดินแยกเหมือกันนะแต่น้ำพุ่งออกมาตั้งแต่วันนั้งถึงวันนี้นะ้ำยังไม่ได้หยุดเลยนะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอแเลือกเกอรและส่วนกอรูนเนี่ย ตะการ บ, บูรยยิงจองหองอวดดีกับเงินไว้วางใจกับเงินฉันฉันไม่ยุ่งกับใครหรอกฉันเอาเงินฉันใหญ่ห อ, ยยอย่างเดียวแล้วก็เอาลอให้แผ่นดินแยกออกมาเหมือนกันแต่ตัวเองจมลงไปในดินแล้วก็วันนี้เป็นแบบอย่างที่เลว์เตือนในคัคมภีร์ของอ่านอย่าใชา้ชีวิตแบบกอรูน น บ, บีสอนบอกมเนียตา บ, บาดะอาลามาลิฮิใครที่ไว้วางใจกับทรัพย์สินของเขาก็ะกอบดลวะเขาหลงทางไม่ใช่หลงอย่างเดียวตกนรกด้วยล้อมันใสอีกใช่เอาวันนี้ขอบคุณเขาล้นะครับมาถึงสุรอัดดุคอนอัดดุคอนเนี่ยสุร่าฮามีเนี่ยมันอยู่ในบทบทที่หกในใ น, ในกลุ่มสุรหาฮามี น, นะครับ บทนี้เนะี่ยมีทั้งหมดกี่อายะนะห้าสิบอายะถูกประทานลงมาที่นครมักกะคือกุรอานนี่มีสถานที่ลงอยู่สองแห่งเราต้องนึกในใจเราจะรอเวลาหนึ่งลงที่นครมักกะและอีกแหล่งหนึ่งนครม ด, ดีนะสองแห่งท่านเราต้องนึกรอเมืองมักกะกะับมดีนาเนี่ยเป็นเมืองที่ประเสริฐที่สุดแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้คำว่าดุคอนเนี่ยอัดดุคอนเนี่ยแปลว่าไอาหมอกหรือหมอกควันไอหมอกหรือหมอกควันนะครับคือเราต้องการจะบอกว่าในคุณอ่านในสุรอะ ด, ดุคอนเนี่ยอายะที่สิบจะพูดบอกว่าไงนะ บอกกับมูฮัมหมัดเอาล่ะบอกว่ามูฮัมหมัดเจ้าจงคอยเฝ้าดูวันหนึ่งอายาที่สิบของสุร้อนนี้นะอายาที่สิบของสุร้อนนี้นะอ่าฟัตกิบเยา้ามาตะทีอัลลมะบิดุคอนิมมมบินฟัตกิบเจ้าจงเฝ้าดูวันหนึ่งซึ่งชั้นฟ้าจะนําไอหมอก ชันฟ้าเนี่ยจะนําไอหมอกออกมาเห็นได้ชัดนี่เอาล้อเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นโลกใบนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งหรอกครับจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยนี่เอาล้อเล่าให้นบีให้นบีมาสอนเหตุการณ์บนโลกดุจยาแบนี้จะมีอะไรให้เราเห็นอีกมากมายไม่ใช่อยู่เฉยๆนะไม่ใช่นะอะไรที่ เกิดเหตุบนโลกดุนยาไปนี่นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดที่ไม่เล่าก็เยอะไอ้ที่เล่าเนี่ยนี่ไงผ่านอัลกุรอานเนี่ยอัดดุคอมาถึงไอหมอกหรือหมอกควันทีนี้ในฮะดิษของอิหม่ามบุคอรีมันทึกเอาไว้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยจะนำไอหมอกออกมาเห็นได้ชัดเพราะมันขอ อะไรนะพอหมอกควันมานี่มันเป็นอย่างนี้จะเกิดกันดารแห้งแรงถ้ามีหมอกควันเนี่ยออกอะชั้นฟ้าจะนํามาเนี่ยในนครมักกะเนี่ยจะเกิดกันดาร น, นี่เรื่องผ่านมาแล้วในสมัยนบีเนี่ยคนนบีสอนสอนสอ น, สนแล้วค น, น, นแอนตี้นบีนะแอนตี้คาสอนของนบีแอนตี้คุณอ่านแอนตี้ซู น, น่านาบีนี่นะอลอยเองไปไม่ลอยนะ เราก็เลยให้ในายครม ก, กาเนี่ยมันกันดาลแห้งมันแห้งแรงอาหารขาดแคลนคูให้กลัวน่นมันอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่วันนี้ดูคอนจะมาอีกครั้งหนึ่งใกล้กล้วันกิยามามันมีอาลามัตเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายวันกิยามาน่มันมีอยู่สองอย่างกูบรอกับซูกรรอย่างเล็ก กับอย่างใหญ่เอามาดูกลุ่มกุมที่บอกว่าอะไรนะอัดดูคอนเนี่ยในฮะเรือของท่านอบีุลซอย่างนี้นะครับอัดดูคอเนี่ยจะไม่เกิดวันเกียรมะจนกว่าจะมีห ก, หกรายการโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วก็วันเกียรมะก็จะมาหรายการมีอะไรบ้าง ท่านนบีฮุรเรายอัลลอฮฺนดรงานบอกว่าว่าท่านนบีสอนบอกว่าบาดีรูบิลอาิตังจงรีบกันแข่งขันทาความดีย่านอนเยอะอย่าทะเลาะกันเยอะอย่าหาดุจญาเยอะมากทิ้นทิดุจญาบางก็ได้หากทำงานจงทัาไม่ได้นาบาทไม่ได้นามานนี้เปล่า มีครับเราเตือนกันนะนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเราบังคับใครไม่ได้นบีบาบาได้รู้บิลอามาลิสตันท่านท่างหลายจงรีบรีบรายนะหกรายการให้ทําความดีนี่ก่อนหกรายการจะมาข้อที่หนึง่งตูลูอาชัมสม์มาลีบีฮาดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกเป็นไปได้ยังไง ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเดนมาเป็นไปไม่ได้อะแต่รอให้นบีมาเล่าวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกวันนั้นนี่นะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นภาพนะคนจะกลับตัวเป็นมุมินจะเป็นมุสลิ ม, มรลอรลรรรรรรรรรรรรรงรรรรรงรรรรรรรรงรารานะนะารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรารรรรรรรรรรตรรรรรรอรรรรรรรรรรรรร และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยอมรับแล้วนะความจริงวิทยาศาสตร์ไม่ไม่อธิบายเราก็อีมาศรัทธาอยู่แล้วแต่เขาอธิบายก็อย่างน้อยให้คนกาเฟต์จะสํานึกตัว น, นะข้อที่เดิมดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกข้อที่สองอุดรคอนนึงหมายถึงไอหมอกเนี่ยจะมาไอหมอกมาในะคที่อธิบายอย่างนี้ครับคนกาเฟตนี่จะสลบหมด คนกาเฟ่นี่นะเพราะดูว่าเบฮอชสลบแล้วส่วนมุ่มินที่อิมั่นต่ออัลลอฮ์นีอัลลอฮ์เมตานะแค่เป็นหวัด <c oughs> แค่แค่เป็นสุกรรมแค่แค่เป็นหวัดเวลาดูคอนมาสมอกมาจริงๆเนี่ยนะรุ่นเราคงไม่มาแล้วแหละไม่ใช่พีเอ็มสองจุหอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเล็กๆน้อยๆใช่ไหมนะถ้ามาจริงๆคนกาเฟตต้องสลบ โมเมนต์แค่เป็นวัตในนบีพูดเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับข้อที่สามดัจจารดัจจานีน่แปลว่าผู้โกหกผู้หลอกลวงจะเต็มบ้านเต็มเมืองอัลลอฮ์นาอูซีบิลละน่ากลัวมากครับพี่น้องดัจจานเนีน่ยอธิบายอย่างงี้ท่านอบดุบักรอดีอัลลอฮฺอัานเพื่อธิบายบอกว่าดัจจานเนี่ยจะออกมาจากประเทศ อ, อิหร่าน ดัจจานนี่นะจะออกมาจากประเทศอิหร่านและคนที่เดินตามดัจจานเนี่ยส่วนใหญ่มาจากประเทศอิหร่านหมดเลยเขาให้ชื่อเมืองไปด้วยอิสบานเมืองอิสบานจะเดินตามดัจจัลตัวนี้อิสบานะชาอูนะนะอัลฟานเจ็ดเจดมืคนจะเดินตาม ดัจจานตัวนี้แล้วก็สั ญ, ญลักษ์มีผ้าไหมีผ้านี่ผ้าผ้าอะไรผ้ า, า, า, ราสรบันอยู่บนศีรษะเดินตามดัจจานหมดเลยอะ่ะใช่หมแต่นี้เขา อ, อธิบายต่อบอกว่ามีประเทศไหนบ้างอะ่ะแอีกอีกอีกอีกะดิษหนึ่ง <S <s อัดัจจานยักรูจูมินอัรบีบินมัชริกยูกอลุลาฮุราซาน ยะบอกว่าอกวามุนการะวุจูหุ่มท่านอบูุบักรดีอัลลอฮุอะันฮิวะซรายงานบอกว่าดัตจานจะออกมาแผ่นดินทางทิศตะวันออกขอธิบายอย่างนี้หนึ่งประเทศรัสเซียสองญี่ปุ่นสามฟิลิปปินส์ี่เกาหลีแต่ไทยไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ประเทศอะไรบ้างรัสเซีย Japan, p นฟิลิป i ิน s k เ r e a k o เ e a หมาจงเกาหลีนี่ประเทศแถบแถบนี่มัชริดทำตะวันออกอย่างพวกเราอย่างนี้แหละจะเดินตามยิวหมดเลยจะเดินตามอะไรนะเดินตามดัจจาล อ, อย่าว่ายิวแล้วก็คนที่สนับสนุนดัจจาก็มีคนกาเฟสกับคนมูนาฟิกตัวละว่ากลุ่มใหญ่มากนะ นั่นก้วันเกียร์มาแล้วจะนั้นใครจะคิดจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนี่นะกลับตัวไม่ได้แล้วนนั้ถ้าจะกลับตัวต้องเรียบกลับตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้เรียบกลับตัวแต่ว่าตัวไปหาเราซ ะ, ะหันบริษัสทหนาซะเพราะวันวันเกียร์มันมีจริงไหมมีจริงครับ อ, อธิบายแค่แค่นี้พอเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องอัตตุคอนตอนนี้สุราอัตตุคอนมาเนี่ยในนั้นในสุราอัตตุคอนเน้น สี่รายการหนึ่งเรื่องตอเตาเฮตอลลอมีองค์เดียวนะครับเรื่องที่สองเรื่องการมาของท่านนาบีเป็นนบีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดเน้นเรื่องนี้เพราะคนส่วนใหญ่ในแอนตี้สุนน า, นานบีกันเยอะมากครับและไม่อยากจะเรียนด้วยเอาอะไรมาแทนหรือเปล่าเอาประเพณีวัฒนธรรมมาแทนเนี่ย เอาประเพณีอาวัฒนธรรมมแทนสุนนนาบีฉันไม่าสุนนนาบีฉันก็อยู่ได้นพวกก็เยอะแต่ใครที่ไม่เอาสุนนนาบีเนี่ยนี่หะดิษสุรบัดอะดุคอร์เน้นนะเน้นว่านาบีมาเป็นนบีคนสุดท้ายนำเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีมาให้จริงๆแล้วก็สอนเรื่องอัลติดารอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็สามเรื่องเรื่องกูรานเล่มนี้ต้องพยายามอ่านกูรานสม่ำเสมอ หาความรู้จะอัายุรานสม่ำเสมอข้อที่ีพูดถึงนึกว่าตายแล้วต้องฟืน้นอันบาสตายแล้วต้องฟืน้นทำไมต้องเน้นอย่างนี้นะเพราะคนส่วนใหญ่ในโลงนี้นะเชื่อว่าตายแล้วตายตายเลยแต่คุรานอุดอัตสุระอั ด, ดูคอยเน้นว่าตายแล้วต้องฟืน้นหนึ่งอรรถมีองค์เดียว สองนบีว่าเป็นนบีคนสุดท้ายที่นำเอาความรู้ที่ผ่านวะฮิมาเนี่ยมาสอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอย่าไปขวางเลยพี่น้องเอ้ยเรื่องที่สามอัานคุรานเล่มนี้ <c oughs> มาอาลัลลอฮฺประทานให้สองแห่งมักกะกับมดีนะที่ถูกบันทึกไว้เป็นเล่มวัเนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาตัดนะครับแล้วผู้ที่เรียบเรียงกุรานนี่ใครนบีมุฮัมมัดนะพอมีบางคนเนี่ยแอนตี้แอตีอย่างนี้ ฉันไม่อ่านกุรานฉันจะอ่านกุรานตามวะฮีที่ลงมานี่คิดเองนะฉันจะอ่านตามวะฮีวะฮีครั้งแรกที่มาอะไรอิ ก, กรอเดี <c oughs> ๋ยวมายละ่ะ <c oughs> ฉันจะทำกุรานแบบนี้ขึ้นมาอินมาทำคุรานมาแข็งกระโล่ละนี่มนุษย์มีไหมมีครับอยู่เมืองไทยมีไหมแต่ติ๊ตานหมดแล้ว คนที่คิดว่าท่านฉันต้องเอากุณอ่านพิมคุณอ่านตามมุฮัมมีนี่นะตายหมดแล้วายังมีลูกน้องอยู่ก็ปล่อยไปก่อนเราก็อธิบายตรงนี้นะอย่าไปชี้หน้าว่าใครนะแต่ผมรู้จักไหมรู้จักด <c oughs> ูลงว่าสุร้อนี้มีสี่ประเด็นใหญ่ๆ ห, หนึ่งเรื่องอัลกีร่าเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวสองมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้าย <c oughs> สาอัลกุรอานทุกคนต้องมีอยู่ที่บ้านต้องอ่านอัลกุรอานหาความใจ หาความเข้าใจจากอัลกุรอานข้อที่สตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอเ์เรียกในทุ่งมหัดอย่างนี้เป็นต้นต้องมั่นใจแบบนี้นะครับบิสมิลลาฮิราะห์มัลิราะฮิฉันเริ่มกุรอานด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอเราต้องเข้าใจนะอัลลอ์มาเนี่ยอัลลอ์เมตากับทุกคน จะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์เมตตาหมดส่วนระหีมเนี่ยเมตตาเมตตาปราณีเฉพาะผู้ที่มีอัลลอฮ์มีรอซูลเท่านั้นในวันเกียร์มานะครับฮามีมไม่ต้องไปแปลว่าแปลว่าอะไรนะแต่คนแปลมีไหมมีเยอะฮามแปลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีแปลว่าอย่างนี้มีแปลว่าม uh ุฮัมหมัดเราไม่แปลเอาเดินตามความเข้าใจของชาวซาลัก บรรดาซาบา น, นันบีเขาเขาไม่แปลก็ต้องไม่แปลตามรับวันกิตาบิลมบินฮามิมวันกิตาบิลโมบินกิตาแปลว่าอะไรครับว่าแปว่าฉันขอสาบานต่ออัลกุรอานเล่ม น, น, น, น, นี้อ่าเนี่ยอัลลอสาบานนะฉันขอสาบานต่อกุรอานอัลลอสาบานได้ผู้เดียว เราเนี่ยสาบานต่อคุรอ่านได้ไหมไม่ได้ต้องสาบานกับใครกับอลรองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยความรู้ได้อย่างนี้อัลลอฮ์กัขอบคุณอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์สาบานได้อัลลอฮ์จะสาบานกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันอัลลอฮ์สาบานได้หมดนะแต่มนุษย์เนี่ยจะเอาสิ่งอื่นมาสาบานไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียววัลกีจะขอสาบานนะครับ ในอัลกุรอานเล่มนี้อัลโมบินมบินแปลว่าชัดแจ้งทีนี้ในคัมภีร์กรุรอานเนี่ยอธิบายกับคัมภีร์กรุรอานทุว ก, กันเองนะครับในคัมภีร์กรุรอานเนี่ยคำว่าคาว่ากรุารอานมีทั้งหมด8ชื่อมีทั้งหมด8ดชื่อนะครับข้อที่หนึง่งอัลอัลกุรอานอัลกุรอานนั่นชื่อชื่อกุอรอาน ชื่อที่สองอัลกิตาปรบักามพีเรมีอันที่สามอัลฟุรคอนนี่มันชื่อกุอ่านนะแปลว่าลแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จข้อที่สีอัลวิครูการรำลึกถึงให้คนที่อ่านกุอ่านเท่ากับคนนั้นกำลังริเกตถึงอัลลอ์ อ, อยู่กำลังนึกถึงอลัลลอฮ์อยู่ข้อที่ห้าอัตตันซีลถูกประทานลงมา นะครับม่ได้มาจากจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสไม่ใช่มาจากจากชันชันฟ้า <c oughs> เคลียร์ท้องฟ้าก่อนนะก่อนจะกุัาอ่านจะถูกประทานลงมานเนี่ยเคลียร์ท้องฟ้าไม่ให้ใชตอนขึ้นไปเพ่นพ่านอยู่อยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่หกอัลฮักโุแปล ว, ว่าเป็นความจริงข้อที่เจ็ดอัสานุลฮะดีษเป็นถ้อยคำที่ดีที่สุด อ, อัลกรุรอาน ข้อที่8ดบุรฮานก็เป็นหลักฐานเนี่ยพวกเราก็ตั้งชื่อบุรฮานมีไม่มีลองถามด้วว่าแปลว่าอะไรบางคนก็ไม่ไปยรู้นะที่ตั้งชื่อเหล่านี้เนะี่ยยานนะัเป็นการเตือนตัวเองเองต้องอ่านกุรานสม่าเสมอนะเพราะตั้งชื่อกุรานเนี่ยบุรฮานเนี่ยน่ชื่อเขาคัดลอกุรานแล้วเป็นชื่อที่8ดอาทีนี้ลักษณะลักษณะของกุรานคือวรทีั สิทธิ์ของกูรานะมีทั้งหมด 17, 17สิบเจ็สิฟเจสิฝัตงสิท์ั่กรานสิท์ังอธิบายอย่างงี้อย่างบางยูซุกเนี่ยขายข้าวสารอ๋อนี่สิท์ฝั่ขายข้าวสารยูซุกเขาอ๋ตอตที่สองบางยูซุกอะไรนะขายอาหารแมวอ่าสามนี่สิทนะั่นะท น, นกูรานกำลังมีทั้งหมด17บเจ็ดสิทัต อหพี น, น้องฟังไปแล้วกันนะครับ 1. นึงชื่อมาจีดุลกุรอานเนี่ยสิทัต์ก็คือมาจีดุลสภัพโรธข้อที่สองกรีมุนทรงกิตติคุณมีเกียรติข้อที่สามอาจีมุนมีความสำคัญยิ่งข้อที่สี่อาจีรุนมีอำนาจยิง่งข้อที่ห้านูรุนเป็นรัศมี ข้อที่6เมาอิซะตุนเป็นข้อตักเตือนคำที่เจดิฟ้าอุนเป็นยารักษาโรคเป็นที่บำบัดข้อที่8ดกูรานเป็นสิทัตนะฮูดาเป็นทางนำข้อที่เรอมาตุนเป็นความเมตตาข้อที่สิบมูบารกุนเป็นความจำเริญข้อที่ส1บอมูบีนุนชัดแจ้งอย่านกรานเล่มนี้ใช่ไหม อ่านสุรอนี้อายานี้นะอะไรนะกิตาบุญมุบีน่ะเป็นที่ชัดเจนนี่เป็นสิบปลายของคุรานข้อที่12บสฮักีมุนเต็มไปด้วยวิทยาปัญญาข้อที่13อาลียุนผู้ทรงสูงทรงข้อที่14บาชีรุนแจ้งข่าวดีข้อที่15นาดีรุนเตือนให้เลิกทําความชั่วนะครับข้อที่16มุซอตดิกุนเป็นที่ยืนยัน ในคำพีทั้งหมดที่มากุอารอ่านยืนยันว่าคำพีอีกสามสี่เล่มที่มาก่อนหน้านั้นมาจากอัลลอ์จริงๆข้อที่17บเจ็ดมูไฮมินเป็นที่พิทักษ์รักษาไม่มีใครมาทำลายได้กุรอานนี่เป็นสิบัตของกุอรอ่านทั้งหมดกี่ชื่อนะส7บเจ็ดชื่อเป็ น, ปนสิบเจ็ดสิบแปดนะลูกุลลักษณะส่วนชื่อคุณอ่านมีทั้งหมดกี่ชื่อนะแปดชื่อ Amar dulu khabar Quran ayat yang kedua. Inna anzalna hu fi lailatim mubarak. Inna kunna mulhirin Allah akbar. Inna anzalna hu fi lailatim mubarak. อินนาทุนนะมูซิรินอัลฮัมดุลิลลาอินนาแปว่าแท้จริงเราหมาถึงอัลลอฮ์นะแท้จริงเราอันซัลนาเราได้ประทานลงมาประทานอัลกุรอานฮูหมาถึงกุรอานอินนาอันซัลนาฮูแท้จริงเราประทานอัลกุรอานใ้ลงมาเนอัลลอ สอนง่ายง่ายให้เราเข้าใจง่ายง่ายว่ากุณอ่านเนี่ยมาจากพระเจ้ามันมีพระอยู่องค์หนึ่งยกกุณอ่านขึ้นมามคำพีมรณะ <c oughs> น่าวสบิไดเป็นคำพีมรณะต่อเอาไปขึ้นสารโลกอะไรต่ออะไรตำหนิกุอาน เอาล์ไม่ให้ฟ้าผ่าตาจันทีทันไดกับบุญาไรนเปิดโอกาสราเองนเปิดก็ให้อีก2ี่ปี4ี่ปีจนกว่าจะตายช่วงช่วงสี่สปีหันมาเรียนอิสลามเธอมาศึกษาหาความรู้จากกุรอาเธอถ้ายังดันทุรังด่านะมันก็เป็นแบบใครตะใครอีกหลายคนใช่ไหมมีอยู่คนนี่นี่ที่เผาอัลกุรอานเนี่ยตอนจะตายเนี่ยตอนนี้ตายยังไม่รู้นะ นอนนี่เต็มตัวเลยที่หัวที่ศรีษะ ม, มีหมอบานห้าหกคนดูแลเฝ้าเอานอนออกไม่ได้เห็นยังครับนี่าวนั้ น, นมันก็มาเราก็เก็บอาว่าโอ้ไอคนนี้มันก่อแสบเหมือนกันอะไรรั้ไหมเผาอัล ก, กุรอานลัสันมานุษดีกันเหมือนกันใเป็นมุสลิมนะอยู่ในประเทศอังกฤษบอกว่ากุรอานเป็นเวอร์ชันอะไรเป็นถ้อยคาของไซตอเ น, นี่ยคนประเภทนี้นะ ผู้ตะวันตกเนี่ยคุ้มครองดูแลเอาทหารมารักษาไม่ให้เป็นอันตรายเอเลาะให้ศักษามา30กว่าปีแล้วถูกแทงอ่ะตากระบอดตอนนี้เป็นอันมาาพาตไปครึ่งตัวค่อยๆดูกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเป็นมุมินดีกว่าพี่น้องหาความรู้จากกุหานนี่แหละอยู่ในาศาสนานี่แหละเอเลาะทดสอบบ้างอะไรบ้างก็ตอนน้อง้อมรับด้วยความเต็มใจ อินอาซานาหูแท้จริงแล้วได้ประทานมันลงมาฟีไลละแปลว่าในคืนในกลางคืนในคืนมมบารอกะคืนอันจำเริญเราก็รู้ใช่ไหมพระคุรอ่านลงมาในคืนไหนคืนไะไรไลลตุลกอรีนบีไปรับรกุรอ่านครั้งแรกที่ภูเขาไฮรอต้องนึกภาพตรงนั้น แต่ยิบรีมาก่อนนบีบอกว่าอิกเราะอิกระ อ, อิกเราะนบีตอว่ามาอ่นานบีกอเดียวฉันอ่านไม่เป็นเพราะนาบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นใช่มหมเดี๋ยวเราให้มาเลยนะตั้งใจเลยนะไม่ให้นบีอ่านหนังสือเป็นอนะ่ะขณะขนาะ น, านาบีอ่านหนังสือไม่เป็นคนยิ้วยังพูดว่ามุฮัมามาัดแต่งคำภีเองเห็นไหมขนาดอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ย แล้วก็มันก็พูดอีกอ่ะอ๋อฉันไม่เดินตามคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเพราะคนโง่โอ้โหเห็นไม น, นี่พูดใส่มากนี่ยมันลงในลงในเต็มไปหมดเลยลงในเฟซบุกออกทีวีด้วยนัานแอนตี้กูอานเองก็แอนตี้ไปเถอะอย่าลืมนะอัลลอฮ์ในอินติกรมนะแก้แค้นนะเพราะอัลลอฮ์เนี่ เราได้อยู่พิงกับอัลลอฮ์อยู่อยู่พิงกับบรรดาอุลมะมาอยู่อยู่พิงกับนบีอยู่อยู่พิงกับมลัอิฆ่าอยู่นะเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดๆนะเรามีที่พิงตั้งสามสีที่หนึ่งมีมีมีอะไรมีอัลลอฮ์มี Allah, มนบีมีคนซ้อนแล่มีอาเลมอุลละมาทั่วโลกเนี่ยหอมดีละอยู่ในกลุ่มใหญ่ยายมากกว่าสมควรนะครับอินนัอัลจัลนาหูแท้จริงเราได้ประทาน อัลกุรอานเลงมาในคืนแห่งรอมฎอนใส่รอมฎอนไปเลยนะครับมูบารกันเป็นคืนที่มีความจำเริญอินนาะแท้จริงเรามาถึงอัลลอฮ์นะกุนาะมุนซนมุนิดแปลว่าผู้ตักเตือนอกุรอานเนี่ยเป็นคำตักเตือนมันไม่ใช่คาถาอัาลลอฮ์จะอธิบายเรื่องเรื่องนี้ได้เอาลอ่า พวกเราในสมัยก่อนี๋่วนี้เลิกไปเยอะแล้วนะเอากุนอ่านย่อเป็นเล่มเล็กๆแล้วก็ใส่ไรนะใส่คออัลลอฮอักุบัตแล้วพวกนี้นักเลงหมดอะ่ะไม่คยได้เข้ า, ส, าสุราหนังสือก็ไม่อ่านใช่ไหมเอากุอ่านตะลับเอาแต่แค่นี้พออานอินอันซัลฮฺอูแ <laughs> ท้จิงแล้วได้ประทานอันกุอ่านลงมาในคืนแหงรอมฎอน อันเป็นคืนที่มีความจำเริญเป็นอย่างนี้อินอาดุซัลนาฮูฟีไลย์ยติลกอดารีไลย์ยติลกอดารีคอยรุมมินอัลฟิชารีใช่ไหมที่เรอาอ่านประจําหัวเล็กด้วยทําไมอ่ะเพื่อให้เราท่องจําจะได้นึกว่าเป็นคืนที่ดีกว่าพันเดือนแล้วก็มาเลยกายิบรีเนลงมาในคืนนั้นเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ ก, กําหนดใน ในคืนเนี่ยลายกรกฏอัลลอฮ์กำหนดงบ ป, ประมาณประจำปีอธิบายอย่างนี้ให้คนนี้รวยให้คนนี้จนให้คนนี้ดปดะิทําอมรอได้ไปทาฮายีให้ได้ลูกไม่ได้ลูกให้ตำแหน่งขึ้นหรือตำแหน่งลดงประมาณประจำปีของมนุษย์หมดเลยนะเราไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้ ในคืนไล่โยตุลก็จะเป็นคืนที่ประเสริฐสุดอัลลอฮ์กำหนดก็ประมาณประจําปีทุกกระทรวงเลยละว่าง่ายๆกัแล้วนะอัลลอฮ์นาลาเนี่ยดูแลมนุษย์เพื่อมนุษย์อย่างเดียวเลยนะให้มีลูกกี่คนให้มีเมียกี่คนให้มีตาให้มีอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์กำหนดให้อะไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นในความบังเอิญไม่มีอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงพูดเดียวก็ต้องอิมานแบบนี้ วันนี้ถูกดา่าคนนึกอเอาล็อกกำหนดมาหรือเปล่านะ้าฉันมากำหนดแต่อย่าลืมว่าไอ้ความชั่อเนี่ยเราจะทำเองนะแต่ความดีเนี่ยมาจากอาลัลลอฮ์เวลามีปัญหาเดอร้อนคนนึกว่าเราเนี่ยทำบาปไว้หรือเปล่าต้องนึกนมาคบเปล่าใจประกาศเปล่าในปีนี้นะเราด่าคนกี่คนแล้วนินทาคนกี่คนต้องนึกเวลอาอาสามมาหาเราเลยต้องนึกมนาะ โอ้โสารเราเนี่ยเลวเยอะน่ออเลยอย่อยนี้เป็นต้นอย่าอย่าอกว่าความชั่วยนะความช่วนนะมาจากอัลลอ์แต่จะมาถึงเราเพราะเราทำผิดเดีย๋ยวเราทาผิดอย่างนาบีเคยป่วยป่วยหกเดือนนะไอ้คนที่มาทำให้ใหนบีป่วยนะเป็นพวกพวกยิวผู้หญิงยิวมาใส่ของนบีเอาของเนี่ยมาไว้ ใต้บอ่อน้ําแล้วก็พนน บ, บีป่วยิบรีนก็ลงมาบอกที่ท่านป่วยเพราะไปีผู้หญิงยิวคนหนึ่งเนี่ยมาใส่ของน บ, บีแล้วก็ขอมเนี่ยมัเก็บไว้อยู่ใต้บอ่อให้คนไปขุดเอามามาทําลายซะกว่าจะหายได้ก็นานนะเพราะไอ้ของบนพยานในมีไหมมีครับทำลายคนนะมีบรราก็มีประเทศอะไรนะประเทศเขมรใช่ไหมจากนั้นให้อ่านสามกุญเนี่ย ยิบรีนลงมาหาาบีให้มาอ่านสามคุณให้นบีอ่านอย่างเงี้ยสามคุณยกมือขึ้นแล้วก็เปล่าเปล่าก่อนนะมัจะอ่านก่อนนะเปล่าก่อนแล้วอ่านทีหลังรูปตัวทิศาทั้งตัวละมาอย่างเงี้ยนบีก็ค่อยหา ย, ค, ยค่อยหายเพื่อจะเตือนพวกเราว่านาบีเองเนี่ยเป็นเป็นผู้นำมุสลิมทั้งโลกนะยังถูก ใส่ของแล้วอลัลลอก็ค่อยรักษาให้หายไม่จะหายพวดพลาดเลยนะกว่าจะหายในหกเดือนนะอย่างนี้เป็นต้นอะต่อมาครับเธอกุณอาเนี่ยมาจากลาวินมาฟูสลาว์มาฟูดอธิบายอย่างนี้ลาวคุณบว่าแผ่นจารึกที่ถูกรักษาเอาไว้ยึมบนชั้นฟ้าเก็บเอาไว้พวกนี้จะขึ้นบนชั้นฟ้าบันจะไปหาเราขึ้นมาฟูดเอหาไม่เจอแล้วครับ อัลลอฮ์ชั้นฟ้าบรรลังอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเลอชั้นที่เจ็ดไปอีกชั้นฟ้าชั้นจิตเจ็ดชั้นเนี่ยเพราะชั้นที่เจ็ดแล้วจะเป็นทะเลเป็นเป็นแม่น้ำแล้วก็บัรลังอัลลอฮ์อยู่บนอยู่อยู่เหนือน้ําไปอีกอะความไกลนะ่ะอัลลอฮ์ก็เล่าเองนะครับให้มลายกาขึ้นห้าร้อยปีลงอีกห้ารอยปีหมดความสามารถแล้วฉะั้นงพึ่งอัลลอฮ์เท่านั้ ยาอัล้อาช่ไหมบางแรงบางบา ง, บางอญญายาวกว่า50าหมปีกุูอ่านมีสองอายาอญญายาหนึ่งบอกว่า 1,000 ปีขึ้นลงในประมาณ 1,000 ัปีขึ้นลง 1,000 ปีแต่บริการิบรีนลงมาในแป๊บเดียวเองนี่อลัลลอสให้เห็นนะครับอินน่าอัลจัลนาฮูฟิไลลาลติ ม, มูบารักะ แท้จริงเราได้ประทานอัลกรุรอานลงมาในคืนแห่งเดือนอมาดอนอันจำเริญแท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือนกุนนูซินทำไมต้องเตือนเพราะอัลลอ์ห่วงใยมนุษย์ให้เว้นจากความชั่วและหันมาทำความดีคาว่ามูนซินเนี่ยเพราะอัลลอฮ์เป็นห่วงนอุลมามอธิบายมีใครบ้างอิบนู อับบาสท่านขตาัดาท่านอิบเนจารีท่านมุจาฮิดอิบนุซตบอลวัฮาาัซันประมาณเจ็ปดอานก็เลยมุลเลม่าได้อธิบายตรงกลยว่าอัลลอฮฺเป็นห่วงมนุษย์จึงได้ประทานอัลกุรอานลงมาไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นอะไรเอามาให้ตะกุดเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาศึกษาหาความรู้อ่านอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับต่อมาครับ อายะที่สี่ فيها يفرق ในคืนนั้นในคืนที่ประทานอัลกรุรอานลงมาเนี่ยยุฟรกเป็นอะไรนะถูก จำแนกถูกอธิบายถูกบรรยายถูกเล่ายุฟริกนะครับนะครับถูกจำแนกเอาไว้คือคืนลายุกออ้อนอัลลอฮ์ส่งกุรานมาแล้วก็อธิบายงบประมาณประจำปีในะทางทีอธิบายมุตะกี้เนี่ยงบประมาณประจำปีให้กับมนุษย์นะครับให้คนนี้ ถ้าคนนี้ทำความดีอายุเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าทำความชั่วอายุก็ลดลงมานิดหนึ่งให้คนนี้ไดปไปทำอมรอไดไปทำภายีแต่ไปไหนมาไหนกำหนดประจำปีเลยยุฟริกูเนี่ยคำนี้แหละอะไรนะถูกจำแนกเอาไว้กุลูอัมริทุกทุกกิจการไหหทุกกิจการของกครของมนุษย์ ว่ากำหนดหมดเลยเราไม่รู้ว่ากำหนดอะไรใช่ไหมความจริงกำหนดมาตั้งแต่อายุได้สี่เดือนอยู่ในคัมมันดาแล้วอันนี้ก็มาเน้นอีกทีหนึ่งตอนอายุสี่เดือนน่ะอัชกตอนเป่าวิญญาณปั๊บเนี่ยร้องให้สี่รายการหนึ่งริสกูหูจะได้ริสกีเครื่องยังเชียบเท่าไหร่สองอาญาลูหูวันตายของเขา สามอามาลูฮูอาชีพของใคอาชีพของเขาข้อที่สี่ชาตยุนเอาสายดุนจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสามรายการแรกเนี่ยเลือกไม่ได้ริสกีของเราเนี่ยเลือกไม่ได้อายันมาเพราะริสกีหมดก็เลือกไม่ได้จะมีอาชีพอะไรเนี่ยเอาล็กกำหนดหมดเลยนะแต่เรื่องที่สีเนี่ยเลือกได้จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยเลือกได้ ถ้าเลือกจะเป็นคนดีก็เนี่ยเดินตามนาบีเดินตามอัลกุรอานนั่นแหละเป็นคนดีถ้าเลือกไม่ใช่เป็นคนดีก็ทิ้งอัลกุรอานไปทิ้งนบีไปทิ้งอิสลามไปนั่นแหละคุณอยู่บนโลกใบนี้ยิ่งทิ้งอิสลามยิ่งห่างอิสลามคุณยิ่งอร่อยนะเพลินนะจะทำอะไรก็ได้แล้วก็คุณจะเสียใจตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างอ้าอัลลอจะตายจริงฉันพลาดไปแล้ว ตัวอย่างฟิโรจ์ไงดานาบีมูซาทะเลาะ ก, กับอิสลามทะเลาะ ก, กับอลัลลอ์มากี่ปีสามสี่สิบปีออยู่ในพระราชวังด้วยเสร็จแล้วตายในทะเลพอวิญญาณจะออกจากรากว่าอ้ามั่นตุฉันเชื่อแล้วพูดทำไมอะอลัลลอ์ให้เห็นหมดเลยไงพี่น้องฉะนั้นก่อนตายอลัลลอ์ให้เห็นหมดนะนไม่เชื่อลองตายดูนี้เป็นต้นไปต้องก น, นี่มันเรื่องจริงทั้งหมด เอาล็อกเก็บความลับเอาไว้เนี่ยมัได้บอกเรเยอะแยะไปหมดนะไอ้ที่บอกนี่มีเล็กๆ น, น้อยๆเองเอาล็อกวัดเอาต่อมากับฟีฮายุฟรอูุูลุอัมรินฮากิมในคืนนั้นกิจการอันทรงฮากิมแปลว่าทรงวิทยาปัญญาประชาชาติประสาทลึกนิดนึง กรอานเต็มไปด้วยวิทยาปัญญานะแล้วก็คืนนั้นนะ่ะเป็นคืนที่อลัลลอฮได้แจกแจงอธิบายงบประมาณประจำปีอ่าพูดกระจย ง, ง่ายๆนะให้กับมนุษย์ทุกคนอย่างละเอียดเรีย บ, เ ร, ย บ, เ, รยบเรียบร้อยนะครับในสุราะกอดัดวร์ที่97ิ อธิบายบอกว่าท่นุลุลมาลา่นสุลุลมาลาท่นุลุลมาลาิตัวรูฟ่ฮะอินรบบิมมิุลี่อัมรินซลาอัลลอฮอบอธิบายกูอันอีนะเราได้ประทานให้มาได้มาลงมาลวินแล้รู้เนี่ยมาจากยิบรีเนี่ยลงมา ด้วยการอนุมัติแห่งอัลลอฮ์ทุกกิจการก น, นารั้นนั้สันติที่จะเรื่องดีหมดเลยนะครับทีให้เรานึกตลอดเวลาว่าไล่กัตตูหลกกอดอะนั้นยังมีทุกปีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มีปีเดียวตอนน บ, บีอยู่ไม่ใช่มีทุกปีส่วนใหญ่ก็จะเน้นอยู่ในเดือนรอมฎอนสิบเคลื่อนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่นั้นน บ, บีสอนภัลยาฮีอ่านดอาบนนี้อัลลอฮุมะอินนักอาฟูน ตะให้บูรณฟวาฟาฟูนีอ่านทุกคืนได้ไหมตอนนี้นะได้อัลลอุมินนากาฟูวนตะให้บุลณฟว่าฟะอฟูนีมทถึอิหม่ามตินีิละอิหม่ามอิบนอิบนุมอาจัมเอาต่อมาครับข้อที่หาอายที่หอัมรอนมินนัยนดีนะ ين ين ين อินนาคุณมุรสสลินอัมรอมินอยอินดีนาอินนาคุณมุรสสลินอัมรอนแปลว่าเป็นคำบัญชาเป็นคำสั่ง มินอนะินดีนาจากเราเป็นคำสั่งเป็นคำบัญชาเป็นพระบัญชาจากเราจากอัลลอ์นี่แสดงให้เห็นว่ากิจการบนโลกดุนยาไปนี่ไม่ไ ม, ม่ีไม่ใช่เกิดขึ้นเองเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองเลยอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวต้องยักยินตรงนี้มั่นใจตรงนี้นะสะบายใจนะขอของดีดละมินอนะินดีนาพระบัญชาจากเรานะครับ มินาอนดีนะจากจากเราอินนาะกุนนะแท้จริงเรามุสซิลเป็นผู้ส่งส่งใครรู้ไหยส่งรอซูลรอซูลนี่มันมีอยู่ห้าคนนบีอิบราฮีมนบีนัวห์นบีมูซานบีอิสานและนบีมุัม m m นี่เป็นรอซูลห้าคนนบีเนี่ย รวมทั้งรอซูล์ด้วยนะแสนสองหมื่น0พันท่านแต่รอซูลเ น, น, นี่ยมีอยู่หาท่านเพราะนี่ยซูปปเปอร์อ่านบีที่เด่นที่สุดที่เหนื่อยที่สุดถูกด่ามากที่สุดใครนบีมุฮัมมัดสุลอัลลอฮวันนี้คนยังด่านาบีมุฮัมมัดยังด่าอิสลามยังด่าอุรานอยู่เลยทั้งทังที่ลงมาแล้วมานึ่งพรปียังถูกตาหนยิยังถูกด่าดอยู่เลยจนลง่าง ถามว่าส่งรถซูนมาทำอะไรคำอธิบายก็คือเพราะเอาเรเป็นห่วงมนุษย์ความจริงเนี่ยจะให้เข้าสวารรค์หมดเลยได้ไหมหดวงพ่ต้องสอนได้นบีเคยขอว่าเราจะให้เข้าเป็นมุมินให้หมดเราก็ให้ยิบรีมาบวาทำได้ภายในห้านาทีย0สมันจำได้หมดนั่นแหละแล้วก็ส่งท่านมาทำอะไรนี่ไง à? ตรงท่านมาทำอะไรถ้าไม่ถ้าไม่สอนเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเท่านั้นวันนี้นะเรื่องเรียนอย่างเดียวเนี่ยนะมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยมีสถาบันเรื่องสอนใช่ไหมล่ะเนี่ยสอนคนเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เยอะมากแล้วสอนยังไงดูนบีมุฮัมมัดเป็นแบบนบีไม่เคยด่าคนมีตรถูกด่าถูกด่าถูกด่าให้อภัยให้อภัยให้อภัยนั่นงวิธีการสอน แล้วก่อนสอนต้องขอมาเราะจะเปิดหัวใจฉันด้วยเปิดหัวใจคนพี่น้องได้ทำควาใจกุณอ่านง่ายๆด้วยเธอต้องขอมาะตลอดเวลาผมขอตั้งแต่เามาื่อคืนเนี่ยจะสอนตัพื้ตอนเช้าเนี่ยเอเราะจะช่วยให้พูดง่ายๆหน่อยเถอะนะใช่พี่น้องทำควาใจสักคนหนึ่งทำได้แล้วแล้วคนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนมันดีเนี่ยตรงนั้นเลยเนี่ยว่าคนนึงเข้าใจกุณอา่อานอัลลอฮฺอัลลอฮ สบายใจแล้วก็เป็นมุมมินที่ดีดูแลครอบครัวเขาเองนะมาต่อมาครับอัมรอนเป็นพระบัญชาจากอัลลอฮ์มินายดีนาจากเราอินนากุนนาแท้จริงเราเป็นรอซูลเราเป็นคนอะไรนะเป็นรอซูลที่ถูกส่งมาทํางานดาวะอัลลอฮ์ Allah เนี่ยส่งนบีมาทํางานดาวะงานศาสนาแะได้การเชิญชวนคนสู่อิสลามเนี่ยเ็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่มากเราะฉะนั้นก็แตะตับลีกนิดหนึ่งเลยนะนบีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้บอกวิธีการดะว่าที่ตายตัวเราเปิดนบีสอนกกว่างกวางไม่ได้มีวิธีตายตัวต้องทำอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อะไงี้ไม่ใช่เปิดกว่างกวางเอาไว้ใครมีความถนัดก็ปฏิบัติไปขอแตะนิดเล็กน้อยนะ ไม่ได้ดานะแต่นิดนิดนะนบีเนี่ยทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยถูกด่าบรรดาสว่านนบีนเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดทุกคนทํา ง, งานศาสนาหมดแต่รูปแบบนบีไม่เคยกําหนดตายตัวดังนั้นอยู่ที่บ้านเราก็สอนภรรยาก่อนสอนลูกเราญาติพี่น้องเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการด่ว่าเนี่ยเรอิสลามจะต้องเจริญไปทุก สุไรนะทุกหมู่บ้านในโลกใบนี้นะจะเป็นหน้าที่ของพวกเราวันนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่ศาสลานะครับอย่าไปด่ากันเลยนะทุกคนไปช่วยกันทำงานศาสนาตลอดนะครับต่อมาครับอายาที่หกร ح م ัมมิ ร, รับบิกอินนุหุวาสมัมอุลอาลีมรห م ัมมิ ร, รับบิก อินนุฮูฮุสซาไมุ่อัลลมราะห์มแปลว่าเป็นความเมตตามิรอบบิษจากพระผู้อภิบาลของท่านตัวงว่าอิสลามเป็นราะห์มะกุรอานเป็นราะห์มะนบีมุฮัมมัดเป็นราะห์มทั้งหมดเป็นราะห์มหมดเลยนำมาความเมตตา จากพระผู้อภิบติของท่านมาให้กับประชาชนท่านใดอิสลามเองไปไม่รอดนะเพราะอิสลามเป็นรัมมาอัลกุรอานเป็นรัมมาคนที่เผยแผ่อิสลามนะก็นํำรัมมามาหาบ้านคุณนะ่ะก็ต้องให้เกยียรติซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมดูแลด้านการเงินบ้างก็ได้เลียงของอาหารได้ไหมได้จะเรียกว่าอิสลามเป็นรหมมาอักุรอานเป็นรัมมานบีเป็นรัมมา อัลลสุนนะนะบีเป็ร حم, นรัมมะนำจากความดีมาให้ไม่มีเรื่องเสียหายเลยอิสลามนะครับต่อมาครับอินนหูแท้จริงพระองค์ฮุวาคืออัลลอฮเนี่ยอัสมีผู้ทรงได้ยินไม่ใช่อัลลอฮอยู่ everywhere นะไม่ใช่นะอัลลอฮอยู่บนบัลลังอัลลอฮอยู่บนอารัชอารัชอยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเลยชั้นที่เจ็ดไปอีกแต่ ความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอยู่อ v e r y w h e r e อยู่ทุกหนทุกแหง่งอัลลอฮ์ได้ยินทุกหน ท, ท, ทุกแหง่งอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกหนทุกแห่งต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ฟีกุ ล, ลิมการอยู่ทุกแหง่งนะไม่ใช่นะเพราะคุณอานผู้ชัดว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังอัลลอฮ์บัลลังอยู่บนชาน้าอยู่ยังไงไม่รู้ห้ามอธิบายห้ามถามด้วยอิหมา่มมาลิกบอกว่าถามจะเป็น เป็นบินอ้างด้วยนะแต่ Allah everywhere แต่เป็นความรู้ของพระองค์นะเพราะั้ น, นอัลลอฮผู้ทรงได้ยินทุกสถานที่อัลอลอฮผู้ทรงรอบรู้ทุกสถานที่นี่คือเราต้องมีอักีด้าบแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนจะจบนะครับท่านนาบีเนี่ยขอรัวตนะ่อ Allah วันแลถูกอะไรนะถูกด่าถูกอะไรนะถูกว่าง ขอตอลข อ, อยงยารอบอินนะฮะอลาอกอามูลลายุมินูนกลุก่มชนเนี่ยเขาไม่ศรัทธาเขาไม่อมานแล้วก็ล็อกก็รับดวทั้งนบีมูซานาบีมุฮัมมัดพูดเหมือนกันสอนแล้วสอนแล้วไม่ไหวล็อกขอดวว่าพวกเรียบมันไม่มไม่ศรัทธาแล้วยแล้วนะ หมดความสามารถแล้วนะฟาดารับบาูอันอันอนะฮะอุล่ายูเกามุลมุจรมรองบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนชั่วแสดงว่าคนที่ไม่เอาอิสลามคือคนชั่วไม่อยากพูดคำนี้มันกระเทือนคนไม่เอาอิสลามคือคนชั่วมุจริรเนี่เร า, าพูดเองเราต้องขอว่าให้คนชั่วให้งันมา สนใจอิสลามเพราะอิสลามเป็นทางออกทางเดียวแล้วก็ อ, อิสลามยะลูลอัาลลอฮอัลลอฮฺัลอิสลามเป็นศาสนาที่สูงเด่นไม่มีอะไรทั้งคำสอนและมารยาของอิสลามเด่นที่สุดไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนเท่ากับท่ากันนบดีมอ ม, มัตและและซอบาลนาดีท่านเราต้องขอตัวต่อลองให้ผู้ช น, นเนีเปลี่ยนแปลงหวัวใจเขาให้หันมาอยู่ในศาสนาแต่ว่าอนาคตอิสลามจะเป็น number น หนึ่งอีกอกีปีนะในจากว o i c e นะว o i c e ท v เมืองไทยนี่นะผมฟังอีก30กว่าปี40ปีเนะี่ยอิสลามจะเป็น n ัมเบอร์ o n ในโลกนี้แล้วก็ศาสนาคริสต์ก็จะเป็น n ัมเบอร์อย่างดีทุกต้นแล้วค็ณท่านสังเกต น, นะประเทศที่ดื่มเหล้ามากที่สุดเล่นการพนันมากที่สุดที่ฆ่ากันมากที่สุด ก็ทำดีนากันมากที่ประเทศมุสลิมไม่มีเลยอ่านเฟซอันลนยดูยสิไม่มีประเทศมุสลิมสักประเทศหนึ่งที่กินเหล้ามากที่สุดมาช่มุสลิมทําดินามากที่สุดมาช่มุสลิมที่นอนกับผู้หญิงมากที่สุดมาแต่แต่งด้วยนะมาชัยมุสลิมรา่าการมากที่สุดมาช่มุสลิมแต่มุสลิมยังถูกด่านะ ผู้ก่อการร้ายก่อการไม่ดีทำนั่นทำนี้อย่างนี้เป็นตัวฉะนั้นยิ่งถูกด่าเท่าไรใช่ไหมเราจัดการเองเรามีเพียงอย่างเดียวนอัสตัฟุลลอฮ์เยอะๆเมื่อได้ยินข่าวว่าคนนี้รับอิสลามไม่กล่าวว่างนะอัสตัฟุลลอฮ์อัลฮมดุลิลละฟาบิบีบิฮัมดีรบบิกอัสตัฟุลลอฮ์อซุบฮานลลอฮ์อัลฮะมดุลิลลอัสตัฟุลลอฮ์เมื่อได้ยินข่าวว่ามีคนรับสลามใหกล่าวสาโยค ว่งไงนะ س ب ح ا ล a l l a h a l ล a m d u l i l l a h a s t a ล h f i r u ุ l a h س ب ح ا ن i t a แต่หน้าที่หยุดสอนได้ไหมไม่ได้ต้องสอนไปเรื่อยแต่ต้องพูดจาดีถูกด่าภ้างอะไรภ้างต้องน้อมรับในความเต็มใจมันเวลาครับสุบฮานะกะหมอุลิฮัมดิกสเวลลาอิลอิลลอฮันต s t a g h f i r มองในบ้าน